บรรพชนสันเสริญคุณงามความดีของบรรพชนให้แผ่ไพศาลลูกจะต้องปกปิดความผิดพลาดของพ่อแม่ไว้อย่าให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่วงตระกูลได้ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งที่จะต้องเทิดทูนรักษาวไว้ด้วยชีวิตต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อองค์ห้องเต้ไม่เสื่อมคลายลูกจะต้องสร้างครอบครัวให้มีความสุข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 ทุกๆวันเช่นกันวันใดที่ลูกมองไม่เห็นความผิดพลาดของลูกก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมะของลูกไม่ได้กล้าหน้าไปเลยและกําลังถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นลูกจะต้องหาความผิดพลาดของตนเองให้พบและแก้ไขให้ได้ทันท่วงทีมีฉะนั้นแล้วลูกจะก้าหน้าต่อไปไม่ได้เป็นการเสียชาติเกิด คำสั่งของท่านอาวินกุเทระนั้นช่างลึกล้ำตรงตามสภาวธรรมและเป็นความจริงทุกประการซึ่งลูกจะต้องนำมาครุ่นคิดวิเคราะห์วิจัยหาเหตุผลเพื่อให้ประจักษ์แจ้งแก่ใจของลูกเองและยึดถือนำมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านอย่างเคร่งครัดให้เกิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาให้ได้จึงจะไม่เสียแรง ที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่งมิได้ปล่อยเวลาอันมีค่าให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เลย ข้อที่สองวิธีแก้ไขความผิดพลาดในยุคชุนชิว ก, กรธศสกาต 476-770 เป็นระยะเวลาที่อำนาจของราชวงศ์จิวกรธศกฤตศตวตรรษที่ส1บ อ, ก, อรกรธิศสก7 7 1เป็นระยะเวลาที่อำนาจของราชวงศ์จิวเสื่อมถอยหัวเมืองใหญ่น้อยตัางแข่งข้อ ตั้งตนเป็นใหญ่จิตใจคนจีนในยุคนี้เสื่อมซามโหดเยี่ยมมากลูกข้าพ่อขุนนางข่าห่องเต้นักปราดท่านขงจือก็เกิดในยุคนี้ท่านเห็นว่าเหตุการณ์จะรุนแรงยิ่งขึ้นไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติจึงนำหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าชุนชิวซึ่งเป็นของแคว้นหลู่มาแก้ไขปรับปรุ ง, งใช่ไหมส่วนที่ดีคงไว้ส่วนที่ขาดเพิ่มเติม บันทึกความชั่วร้ายในยุคนั้นไว้ในหนังสือชุนชิวนี้อย่างละเอียดละออเพื่อไว้เตือนใจคนไม่ให้นำมาเป็นเยี่ยงอย่างคุณนางในสมัยนั้นช่างดูคนโดยสังเกตจากกิริยาวาจา ก, ก็สามารถคาดคะเนอนาคตของคนคนนั้นได้สังคมคุณนางในสมัยนั้นจึงมักนําบุคลิกของใครต่อใครมาเป็นหัวข้อในการสนทนาเพราจึงอยากให้ลูกค้นหาส่วนดีส่วนเสียของหนังสือเล่มนี้ แม้จะเป็นของโบราณโบราณห่างจากยุคเราเกือบสองพันปีก่าตาแต่ลูกก็จะได้ประโยชน์จากหนังสือนี้อย่างเหลือล้นนอกจากเล่มนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเล่มที่บันทึกประวัติศาสตร์ในระยะ 2,000 ปีนี้ลูกอ่านแล้วจะได้เข้าใจชีวิตดีขึ้นรู้จักนำส่วนดีของอดีตมาเสริมสร้างชีวิตอนาคตของลูกเองให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นคนที่มีศีลมีธรรม หลุดพ้นจากความเป็นบุตุชนให้ได้ในที่สุดธรรมดานิมิตรหรือลางสังขร น, นั้นมักจะเกิดทางใจแล้วปรากฏให้เห็นทางอุรยาบทบุคลิกลักษณะจึงเปรียบประดุจกระจกเงาฉายให้เห็นบุญวาสนาหรือเคราะห์กรรมที่บุคคลนั้นๆั้นจะต้องได้รับในอนาคตบุตุชนมักมองไม่เห็นบุคลิกลักษณะอันน่าศึกษานี้กลับเห็นว่าเป็นการคาดคะเนที่ไม่แน่นอน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 ไม่ว่าจะอยู่ตอนหน้าหรือรับหลังผู้คนลูกลองคิดดูสินักปราศแต่ครั้งโบราณมาท่านก็เป็นชายอกสามสอกเช่นลูกเนี่แต่ชนไหนท่านเหล่านั้นจึงได้รับความเคารพผูชาเป็นปูชนียบุคคลแม้การละเวลาจักได้ผ่านไปแล้วเป็นร้อยชั่วคนก็ตามส่วนลูกนั่นเล่ายังคงเป็นกระเบื้องที่แตกอยู่เป็นเสียเส่ยงเสี่ยงในชีวิต ยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแกนเป็นสารให้ปรากฏเลยทางนี้ก็เพราะลูกมัวหลงละเลงอยู่กับความสุขทางโลกเหมอนภักขาวที่ถูกสีต่างๆแปดเพื่อนใช่แล้วยอมหมดความบริสุทธิ์ผุดผ่องมักจะทำอะไรที่ไม่สมควรทำแต่คิดว่าผู้อื่นไม่รล่วงรู้ต่อไปก็ยิ่งเหิมเกรมทำผิดมากขึ้นทุกทีโดยไม่มีความละอายต่อบาปลงท้าย ก็จะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สามารถรู้ว่าตนเองกําลังทําอะไรอยู่ในโลกนี้จะมีสิ่งไรอีกเล่าที่น่าละอายไปกว่าที่ตนเองไม่รู้ดีรู้ชั่วนักปราถนเมืองจือจึงได้กล่าวไว้ว่าความละอายและความเกรงกลัวตบากนั่นเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในโลกนี้ผู้ใดมีไว้ย่อมได้ชื่อว่าเป็นปราดผู้ใด มิได้มีไว้ยอมเหมือนสัตว์เดรัจฉานลูกจึงต้องเริ่มต้นแก้ไขความผิดพลาดของตอนเองด้วยกุศลธรรมข้อดีก่อนข้อสองลูกจะต้องมีความเกรงกลัวต่อการทำชั่วเทพพยายดาอยู่เบื้องบนผีสางวิญญาณล้วนมีร่างโปร่งแสงมีอยู่เกลื่อนกลาดทุกผลทุกแห่ง ซึ่งใตาของมนุษย์ธรรมดาย่อมมองไม่เห็นไม่ว่าลูกจะทำผิดอะไรที่คนไม่รู้ผีสางเทวดาก็รู้หมดถ้าลูกทำความผิดร้ายแรงลูกก็จะต้องได้รับเคราะห์กรรมไม่เบาทีเดียวละ่ะถ้าลูกทำผิดเพียงนิดหน่อย ก, ก็จะทำให้ลูกได้รับความสุขที่กำลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันลดน้อยลง ท, งทันทีลูกจะไม่กลัวได้หรือ ไม่เพียงเท่านั้นแม้เราจะอยู่ในบ้านของเราเองใ น, ในที่เราโหฐานก็ตามก็ห น, นีไม่พ้นสายตาของผีสางเทวดาไปได้แม้ลูกจะปกปิดความผิดไว้ดีเพียงไรแต่จะปกปิดผีสางเทวดาหาได้ไหมเพราะแม้แต่ในตัวลูกมีไส้กี่คนท่านเหล่านั้นก็มองเห็นทะลุปรุโปร่งอยู่แล้วหากวันใดบังเอิญมีคนแอบรู้เห็นเข้า ลูกก็จะกลายเป็นคนไร้ค่าไปทีเดียวอย่างนี้แล้วลูกยังจะไม่กลัวอีกหรือไม่เพียงเท่านั้น หากลูกยังมีลมหายใจอยู่แม้จะทำความผิดล้นฟ้าก็ยังมีโอกาสแก้ตัวได้ถ้าลูกสำนึกในความผิดนั้นได้ทันท่วงทีกาลก่อนมีชายคนหนึ่งตลอดชีวิตของเขาชอบทำแต่ ก, กรรมชั่วครั้นพอใกล้จะตายได้สำนึกผิดเพียงขณะจิตเดียวและจิตสุดท้ายที่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็ยังสามารถทาให้จิตที่ เกิดต่อจากจิตสุดท้ายคือจุติจิตได้ปฏิสนธิในสุขติภพทันท่วงทีรอดจากการไปสู่ทุติภพอย่างบวุดรวิดและเมื่อเขาได้ไปสู่สุขติภพเสียก่อนเช่นนี้จิตที่รู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วในวินาทีสุดท้ายนี้ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้เขาประกอบแต่กรรมดีหากเขาสามารถสั่งสมความดีได้มากกว่ากรรมชั่ว ที่เคยกระทำมาเป็นหมื่นเท่าพันทวีแล้วไซวิบากแห่งกรรมชั่วที่มิใช่กรรมหนักจะติดตามมาให้ผลไม่ทันใะแล้วดุจในถ้าที่มืดมิดมานานนับพันปีเพียงแะ่จุดไฟให้สว่างเพียงดวงเดียวก็สามารถขับไล่ความมืดที่มีมานานนับพันปีไปให้หมดสิ้นในพริบตาเดียวฉะนั้นลูกจงจาไว้ว่า ความผิดที่ลูกกระทำไว้นานแล้วหรือว่าเพิ่งกระทาขอให้รู้สำนึกและแก้ไขเสียทันทีจึงจะเอาตัวรอดได้ไม่ต้องไปสู่ทุกข์ปีภพที่เต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานแต่ลูกจะต้องจำไว้ให้ดีว่าแม้ความผิดนั้นเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ก็อย่านอนใจที่จะทำผิดบ่อยๆ อ, อย่าคิดว่าวันนี้เราทำผิดแค่นี้ไม่เป็นไร รุ่งนี้เราจะแก้ไขไม่ทาอีกก็แล้วกันถ้าคิดเช่นนี้ก็ผิดจากวัตถุประสงค์ที่พ่อพร่บสอนลูกมาอันความผิดที่เกิดจากรู้ว่าผิดและยังจงใจทําเป็นมโนกรรมที่มีโทษหนะักแม้ลูกตั้งใจจะแก้ไขในวันรุ่งก็อาจจะสายไปเสแล้วเพราะในโลกแห่งความวุ่นวายนี้ใครจะรับประ ก, กันได้ว่า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 ผลทุกทรมานไปชั่วกลับชั่วกันแม้พระพุทธองค์ก็ทรงโปรโดไม่ได้เพราะผู้ใดทำกรรมไว้ผู้นั้นเองเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นลูกจะยังไม่กลัวได้หรือข้อสลูกจะต้องมีความกล้าที่จะแก้ไขตนเองมีกําลังใจที่จะแก้ไขยอย่างจริงจังไม่ท้อถอย มีความเพียรอย่างสม่ำเสมอไม่ใคยทำบ้านหยุดบ้างความผิดเล็กๆในน้อยนั้นเปรียบประดุดน้ำตั้มอยู่ในเนื้อถ้ารีบบงน้ำออกเสียก็จะหายเจ็บทันทีหากเป็นความผิดใหญ่หลวงก็เปรียบประดุดถูกงูพิษที่ร้ายแรงคบกัดเอาที่นิ้วถ้าลูกไม่กล้าตัดนิ้วทิ้งพิษก็จะลุกลามไปถึงหัวใจและตายได้ไ ง, ไง่าย ลูกจึงต้องมีจิตใจที่เด็ดเดียวกล้าเผชิญความจริงรู้ตัวว่าผิดตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นทันทีอย่ารีรอลังเลจะเสียการในภายหลังลูกจงศึกษาวิชาปอยกล้วยที่ว่าด้วยความแข็งแกร่งของฟ้าความอ่อนโยนของดินความมีพลังของไฟความเยือกเย็นของน้าความกึกก้องของเสียงฟ้าร้อง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 ขึ้นอยู่กับความเด็ดเดียวกล้าหาญของลูกเท่านั้นเองจงจำไว้เมื่อลูกมีความละอายมีความเกรงกลัวและมีความกล้าหาญเด็ดเดียวที่จะแก้ไขความผิดพลาดทั้งตนเองแล้วไซความผิดนั้นก็ยอมจะลดน้อยถอยลงจนหมดไปในที่สุดเปรียบประดุดสายน้ำที่รวมตัวกลายเป็นน้าแข็งในฤดูใบไม้ผลิเมื่อถูกแสงอาทิตย์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 เมื่อวานนี้เราฆ่าสัตว์วันนี้เราตั้งใจไม่ฆ่าอีกต่อไปหรือเมื่อวานเรากโกรธพระรัชวา่าไปมากมายวันนี้เราตั้งใจไม่โกรธอีกต่อไปนี่คือการแก้ไขที่เหตุการณ์ทำผิดแล้วจึงได้คิดซึ่งไม่ค่อยจะได้ผลเพียงระนับได้ชั่วคราวเผลอเมื่อใดเราก็จะทำผิดได้อีกการแก้ไขจึงต้องแก้ก่อนที่จะมีการกระทำผิดเกิดขึ้น รือต้องรู้เหตุที่จะก่อให้เกิดความผิดได้เสียก่อนเช่นการฆ่าสัตว์ถ้าเราเข้าใจซสียก่อนว่าชีวิตใครใครก็รักฉนันจึงฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิตเราให้ยืนยาวล่าถ้ามีใครทำกับเราบ้างอย่างนี้ลูกจะยอมหรืออันนึ่งการฆ่าสัตว์นั้นทำให้เกิดความทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสนำสัตว์ต้มในกระทะร้อนๆก็จะตายก็แสบร้อนไปทุกขุมขน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 ชีวิตที่ประกอบขึ้นโวยเลือดเนื้อนั้นย่อมมีวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับเราถ้าเราไม่สามารถทำให้สัตว์เหล่านั้นมารักนับถือเราไว้วางใจเราและอยากอยู่ใกล้เราแล้วก็อย่าสร้างความเครียดแค้นชิงชังจนถึงจองเวรจองกรรมกันขึ้นเลยถ้าลูกคิดได้เช่นนี้แล้วลูกก็จะกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นไม่ลงคอ เมืสมัยโบราณกาลในยุคหินใหม่เรามีผู้นำที่ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาและทรงปรีชาสามารถยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าตีชุนก่อนสเสวยราชโดยรัศดรพร้อมใจกันเลือกท่านท่านเป็นชาวนาระวางที่ทำนานอยู่นั้นจะมีช้างมาช่วยท่านไถนามีนกมาช่วยท่านถอนหญ้าซึ่งปัจจุบันนี้ภาพช น, นีหาดูไม่ได้อีกแล้ว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 น่าให้อภัยมากกว่าถึงแม้เขาจะให้ร้ายเราก็เป็นเรื่องที่เราทำผิดเองเราไม่เดือร้อนนะักก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาได้เลยลูกจะต้องคิดให้ได้ว่าในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำความผิดคนที่อวดดีอวดวิเศษนั่นหาใช่ปรักที่แท้จริงไหมคนที่มีความรู้สมเป็นนักปรากนั่นทันมัทธงตนคอยจับผิดตนเอง ไม่กล้าโกรธเคืองผู้อืน่นไม่จับผิดผู้อืน่นค่อยสํารวจตนเองว่าได้ล่วงเกินใครบ้างอย่างไรหรือเปล่ายามที่คนล่วงเกินตนก็จะถามตนเองเส ก, ก่อนว่าได้เคยล่วงเกินเขาไว้ก่อนหรือไม่ยามที่มีคนไม่จริงใจต่อตนก็จะถามตนเองเส ก, ก่อนว่าได้เคยแสดงความไม่จริงใจต่อเขาก่อนหรือไม่เราโมคิด เ, เช่นนี้เราก็จะไม่ทันได้โกรธผู้อืน่น ยิ่งถามตนเองแล้วปรากฏว่าไม่เคยล่วงเกินไม่เคยไม่จริงใจต่อเขามาก่อนเราก็ยิ่งสบายใจรับเอาความผิดพลาดของผู้อื่นมาเป็นบทเรียนฝึกฝนตนเองต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นเมื่อได้คิดเช่นนี้ใครทําไม่ดีกับเราเราก็รับบทเรียนไว้ด้วยความยินดีจิตใจไม่ขุนมัวจะมีความโกรธมาแต่ไหน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 ไม่ตอบโต้เขาก็จะหยุดไปเองเช่นกันเพราะการนินทาว่าร้ายนั้นเหมือนนำสีไปป้ายที่ผ้าขาวผ้านั้นย่อมยากที่จะขาวได้ดังเดิมแม้ลูกจะมีเหตุผลดีอย่างไรก็ไม่สามารถจะโต้แย้งให้ขาวกระ่าษได้เปลียบประดุดตัวไหมในฤดูใบไม้ผลิหลงกินใบหม่อนกินไปดิ้นไปยิ่งกระดุกระดิกมากเท่าไหร่ ยายใ ห, หม่ก็ยิ่งผูกมัดตัวเองมากเท่านั้นความโกรธก็เช่นกันมีแต่โทษหามีคุณไม่ถ้าลูกสามารถช้ยเหตุผลใครครวรดูแล้วทุกสิ่งก็จะไม่น่าโกรธความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้นกับลูกอีกเลย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 ดุดดังดวงตะวันสา์แสงส่องมาคราใดความมืดก็หมดไปปีศาจก็ยังต้องหลบหลบซ่อนๆไม่กล้าออกมาเพ่นผ่านเปรียบได้กับการโค่นล้มต้นไม้ที่มีพิษลูกจะต้องขุดรากถอนโคนให้หมดสิน้นไม่ใช่ค่อยๆลิดกิ่งปิดใบซึ่งไม่ทันการสรุปแล้วการแก้ที่ใจจึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดพองได้อย่างแท้จริง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 ถ้าลูกนำวิธีมาใช้ไม่เหมาะไม่ควรก็จะไม่ทันการแล้วลูกก็จะต้องตกอยู่ในความโง่ต่อไปไม่มีทางได้ดีการตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองก็ดีการอธิษฐานจิตอยู่บ่อยๆตลอดวันตลอดคืนก็ดีล้วนแต่จะช่วยกระชับความหนักแน่นให้แก่ลูกนอกจากนี้ก็ยังต้องมีกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือตักเตือน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 ทำอะไรก็ดูจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นไม่ผิดพลาดไม่เครียดจนหงุดหงิดถ้าลูกพบคนที่ไม่ถูกโรคกันมาก่อนกลับรู้สึกเฉยเฉยแทนที่จะเกิดความอิดนาระอาใจยอย่างที่เคยเป็นมากลางคืนอาจจะฝันว่าตนเองได้อาเจียนของดำๆออกมาบางทีก็จะฝันเห็นนักปราดโบราณมาสั่งสอนแนะนำบางทีก็จะฝันว่าได้บินไปเที่ยวบนท้องฟ้า บางทีก็จะเห็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าล้วนเป็นดีมิตดีเพื่อให้ลูกรู้ว่าบาปกรรมนั้นได้ลดน้อยถอยลงแล้วแต่ลูกจะได้ลำพองใจเป็นอันขาดเพราะความเพียรของลูกจะหยุดก้าวหน้าได้ทันทีทีเดียวแต่ก่อนนี้สมัยชุนชิวมีขุนนางในแควนเอเวท่านหนึ่งเมื่ออายุได้ยี่สิบปี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 ก็ยังรู้ว่าเมื่อท่านอายุ49ปีนั้นมีความผิดที่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรบ้างลูกจงดูไว้เป็นตัวอย่างว่าคนโบราณ น, นั้นท่านมีความจริงใจต่อการแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองเพียงไร